เมื่อไม่มีอะไรล่อตันหาก็พึ่งพาได้แต่ฉันทะลักษณะของตันหาที่ขอยกขึ้นมาเน้นไว้อีกครั้งหนึ่งคือข้อที่ว่าตันหาจะเป็นแรงจูงใจหรือแรงเร้าให้กระทําต่อเมื่อการกระทํานั้นเป็นเงื่อนไขให้ตัญหาได้เสพเสวยสุขเวทนาลักษณะข้อนี้ สอถึงความเป็นไปในทางตรงข้ามคือเมื่อจะไม่ได้เสบเวทนนาอันอร่อยตัณหาก็ไม่ยอมเร้าหรือจูงใจให้กระทำหนาซ้าบางทีกลับจูงใจหรือเลาไปในทางตรงข้ามคือจูงใจไม่ให้ทําสะอีกทั้งที่การกระทํานั้นเป็นไปเพื่อผลดีที่พึงประสงค์ตัวอย่างเช่นเมื่อป่วยไข้ ร่างกายต้องการยาสำหรับเข้าไปช่วยทำลายเชื้อโรคทำลายพิษหรือซ่อมแซมส่วนเสียหายยานั้นไม่อำนวยเวทนาอันอร่อยตันหากลับจูงใจไม่ให้กระทําคือไม่ให้กินในกรณีนี้ก็ต้องอาศัยฉันทะมาช่วยชักจูงใจให้ยอมกินยายิ่งกว่านั้นแม้แต่อาหารอร่อยที่ตันหาเคยชอบ บางคราวร่างกายเจ็บไข้ทั้งที่ร่างกายก็ต้องการอาหารนั้นแต่กระบวนการทางสรีระวิทยาหรือความวิปริตของร่างกายเพราะการกรบกานของโรคทำให้ไม่เกิดความหิวและไม่รู้สึกรสอร่อยในยามเช่นนั้นการ ม, มาตัณหาไม่ช่วยเลยยิ่งบางทีวิปวตัณหาเข้ามาเสริมซ้าหมดอลาัายตายยากกับชีวิตเสมือนดังว่า เมื่อเสพเวทนาอร่อยไม่ได้แล้วจะอยู่ไปทำไมไม่มีความหมายเลยจูงใจไปในทางตรงข้ามจะไม่ยอมกินในกรณีนี้ก็ต้องใช้โยนิโสมนสิการคำานึงเหตุผลและประโยชน์ปลูกฉันทะขึ้นมาจึงมีแรงจูงใจให้กินยิ่งฉันทะแรงกล้าจิตใจก็ยิ่งเข้มแข็งฉันทะหนุนวิริยะและทำให้เกิดสมาธิ กินได้อย่างเต็มใจทั้งที่ฝืนตันหาแต่บางทีคนไข่าบางคนไม่ยอมใส่ใจคำนึงเหตุผลที่จะทำให้เกิดฉันทะผู้หวังดีเลยใช้วิธีเร้าภาวะตันหาทำให้เกิดความรู้สึกกลัวตายและปกป้องตัวตนรุนแรงขึ้นก็กินได้เหมือนกันบางทีอาจถึงกับกินยาและอาหารอย่างลนลานทีเดียวแต่ในกรณีที่เกิดจากแรงเ้าของภาวะตันหานี้ จิตใจจะมืดมัวหรือทุรนทุรายไม่สงบผ่องใสเหมือนอย่างทำด้วยฉันทะเพราะฝ่ายแรกมีอวิชชาห่อหุ้มแต่ฝ่ายหลังเกิดจากปัญญา